พินเดินเข้ามาโอบไหลเชิดบุตรไว้บอกยิ้มยิ้ไม่ต้องห่วงครับคุณบุตรบนเส้นทางสายนี้ยังไงยังไงเราก็ไม่พบกับพวกมันโดยบังเอิญอย่างเด็ดขาดครับนอกจกักมันจะมีเจตนาดักอยู่แล้วซึ่งนั่นก็ไม่ใช่วิสัยของพวกมันแต่ว่าประมาณสี่โมงเช้านี่เองที่มันเพิ่งเดินผ่านไปทางยอดโน้นครับคิดว่าเป็นโขงของไอ้งาดำไหมเนี่ยสเตนลีปเปรยถาม เหลือบมองหน้าระพินไม่มีอะไรจะมาบอกได้หรอกครับช้างป่าตามปกติแล้วก็แยกกันออกไปหลายขโขลงครับขโขลงใครก็ขโขลงมันแต่โดยพฤติการที่ผ่านมาสําหรับรายนี้นะผมรู้สึกว่าไอ้งาดํามีอิทธิพลพอที่จะเรียกระดมช้างทุกขโขลงให้เข้ามารวมเป็นกองทัพได้ทันทีเมื่อมันต้องการซึ่งถือเป็นกรณีพิเศษและก็ไม่ใช่ธรรมชาติปกติของสัตว์ประเภทช้างครับ แล้วเราก็ยอมรับทราบกันอยู่แล้วว่ามันมีอิทธิพลลี้ลับบางอย่างเข้ามาบงการไอ้งาดำกระขลงของมันอีกทีเนึงเออแล้วนี่เราจะไปทางไหนนี่ขวามือขึ้นที่สูงรดอท้ายมือลงต่งคิดถามคว้าก้าวขนูออกมาเช็ดเหงื่ออ่ะสมมุติว่าผมหรือบุญคำไม่ได้มาด้วยพวกคุณก็ลองใคร่ครวนพิจารณากันเองสิครับ ว่เมื่อไต่ขึ้นมาพบเส้นทางแบบนี้แล้วเราควรจะไปด้านไหนจะไปขวามือหรือจะไปซ้ายมือทุกคนก็ล้วนแล้วแต่ชำนาญในแผนที่ทางยุทธศาสตร์มาแล้วนี่ระพินบอกยิ้ยิ้มเป็นการทดสอบอย่างความเห็นคิดควักเข็มทิศประจําตัวมาทันทีส่วนสแตนลีย์สังเกตเพียงแค่ซ้ายมือและขวามือซึ่งเป็นเส้นทางทอดไปตามแนวสูงสูงต่ำตๆของสันเขาทั้งสองด้าน เพียงแต่ว่าทางด้านขวามือนั้นจะเห็นชัดว่านำขึ้นสู่เส้นทางระดับสูงแต่ซ้ายมือจะนำลงตักสองสาวคริสและเบนไม่มีความเห็นอะไรทั้งสิ้นฉวยโอกาสนั่งพักอีกครั้งช่วระยะเวลาสองสามใจก็ยังดีก่อนที่จะเคลื่อนต่อมันก็บอกยากมากนะคุณพาเราเดินวกไปเวียนมาหลายตลบจนไม่รู้ทิศรู้ทางแล้วก็ไต่เขาขึ้นมานี่ ่อนที่จะตตยกันเป็นการใหญ่เราก็ไม่ได้สังเกตเข็มทิศเพื่อด้วยสิคุณคิดพึงพำพร้อมกับยิ้มกร่อยๆแต่โดยประสาสัมผัสของผมนะถ้าเราเดินไปทางเส้นขวาเราน่่จะย้อนกลับไปยังตำแหน่งเดิมหรือใกล้เคียงกับที่เดิมคือแอ่งน้าบนเนินหินอันเป็นจุดเริ่มตน้นผมก็ว่าอย่างนั้นนะนะหัวหน้าคณะเสริมมาโดยเร็วอีกคนหนึ่ง ตามองไปทางด้านซ้ายมืออันเป็นทางลงตัดผมได้ใช้สามัญวินิจฉัยไม่ได้ใช้ประสาทสัมผัสอย่างคิดบอกหรอกนะสามัญวินิจฉัยของผมก็คือด้านไหนทอดลงต่ําเราก็ควรเลือกเอาเส้นทางด้านนั้นเพราะพวกลูกหาบของเราคงจะไม่ไต่เขาสูงขึ้นมาแน่อีกอย่างหนึง่งผมก็จําคําบอกเล่าของคุณได้ในประโยคที่ว่าเดินลงไปบรรจบกับเส้นทางเดินของพวกลูกหาก จอมแพนก้มสีสัแล้วออกเดินทันทีไปทางซี่ท้ายมือทุกคนเดินตามมาเป็นกลุ่มสองสาวที่นั่งพักและคุยอะไรกันอยู่ก็รีบลุกพรวดพราดตามถูกต้องทั้งสองท่านครับถ้าเราขึ้นขวามือเราก็จะย้อนกลับทางเดิมโดยทางซ้ายมือที่ทอดลงต่านี้อีกไม่เกินสองไมล์เราจะลงไปถึงไหล่เขาซี่ตรงข้างซึ่งจะเป็นเส้นทางที่เดินเรียบเลาะมาของพวกลูกหัก หยุดหมายเราอยู่ใกล้ๆนี่เองครับผมเข้าใจว่าเราดักหน้าพวกนั้นแทนเพราะพวกนั้นจะต้องอ้อมมากหรือเกินครับเส้นทางปลอดโปร่งเดินสบายแล้วและยิ่งประหยัดกำลังได้มากเพราะเป็นทางเดินลงต่ำตามด่านช้างนั้นทั้งหมดเดินรวมกลุ่มกันไปเกือบจะเรียกได้ว่าเรียงหน้ากระดานเส้นทางบางระยะเทลาดลงเกือบจะเป็นมุม45องศา เป็นดินลูกรังสลับไปกระหินหใหญ่ๆที่โผล่ขึ้นมาและพินเตือนให้ทุกคนใช้ความระมัดระวังในการทรงตัวเพราะถ้าเสียหลักพลาดอาจต้องวิ่งหัวต่ำลงไปตามทางลาดนั้นดีไม่ดีล้มกลิ้งการเดินลงเขาในบริเวณพื้นที่ลาดชันมากๆดูผาดผาดก็น่าสะดวกสบายดีหรอกแต่เมริการทั้งสี่และเชิดบุตรเพิ่งจะได้เรียนรู้เป็นครั้งแรกว่ามันไม่ใช่ของง่ายนะัก โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่สวมรองเท้าเพราะความเทลาดของพื้นที่กับการฝืนตัวไม่ให้หัวสุนลงไปจะต้องใช้แรงขืนตอกกดของการดึงดูดเป็นอย่างมากและปลายนิ้วเท้าที่สวมอยู่ในรองเท้าจะกระแทกกับพื้นด้านในส่วนหน้าของรองเท้าทำให้พองจิบช่วงระยะสั้นๆก็อาจไม่กระไรนะักแต่เมื่อยาวไกลออกไปก็ยิ่งทรมานมากแม้ว่าจะเป็นรองเท้าเดินป่าชั้นดี ที่เลือกสรรมาแล้วก็ตา่างทุกคนค่อยๆเรียนรู้และสัมผัสได้กับความจริงในการรอนแรมบุก ป, ป่าฝาดงตามหลังคนชื่อรพินภัยวันไปเป็นลำดับมันไม่ง่ายดายเหมือนอย่างที่เข้าใจไวแต่แรกๆทั้งๆที่แต่ละคนได้รับการฝึกฝนมาแล้วเป็นอย่างดีก็ตา่างแต่การฝึกกับเหตุการณ์ที่เผชิญจริงนั้นมันเป็นคนละเรื่องทีเดียว เงื้อท่วมตัวกันไปอีกรักคนไปกระเสียงผูจากันเองและบนอยู่อุบอิบระหว่างห้าคนของฝ่ายนายจ้างแต่สําหรับประพินนั้นมีสภาพที่เบลกระซิบบอกกับพวกพ้องอย่างกรดโกรธฉิวฉิวอ่ะเหมือนผีป่าคือไปได้ตามปกติธรรมดาของเขาเรากับจะไม่มีเนื้อหนังมังสาเช่นคนธรรมดาทั่วไปอย่างที่เห็นกันในเมืองสําหรับตะคำนั่นก็ร้องยิเกศงไปเลย เดินตามอยู่ข้างหลังของทุกคนจอมพลังก็ตามเคยของเขาคือเมื่อแรกแรกก็เดินรวมกลุ่มดีอยู่หรอกพอไปได้สักพักเดียวก็เริ่มทิ้งระยะไปนำอยู่ข้างหน้านานๆก็จะหันกลับขึ้นมามองสักครั้งหนึ่งเชิดบุตคีทและสแตนลีย์ทำหน้าที่คอยเป็นพี่เลี้ยงสองสาวผู้มีอาการเหมือนจะเซคามำหนักวิ่งหัวสุนลงตามทางลาดลงไปบ่อยครั้งช่วยกันฉุดช่วยกันดึงไว้ เชิดบุตรได้โอกาสกอดฟรีทั้งคริสติน่าและเบนอย่างจังๆหลายครั้งเมื่อสองสาวซีทลาหัวปากหัวปำลงมายังตำแหน่งที่เขายืนรอรับอยู่เลยทำให้ไม่รู้สึกเหนื่อยอะไรนักผู้หญิงอเมริกันมันก็ดีอยู่ตรงนี้แหละไม่เคยจะถือสาหาความอะไรนักไม่ว่าฝ่ามือของเขาจะกวาดหรือขยุ่มออกไปรับจะไปกระทบเข้ากับุ่มพวงดงยีห้กลางอกชนิดเต็มกำมือหรือว่าผาไปกระทบเขา้า แถวเป้ากางเกงด้านหน้าคลื้คื้นสนุกสนานในอารมณ์อยู่คนเดียวโดยที่สเตลลีรู้คิดไม่สนใจตั้งเป็นข้อสังเกตเว้นแต่ตาเท่าบุญคำซึ่งเดินยิ้มกริมดูอยู่ด้านหลังเท่านั้นและในที่สุดหนทางนั้นก็ทอดมาบรรจบกับเส้นทางเดินแคบแคบซึ่งเรียบไปตามไหลาทางมองพื้นปราดเดียวราพินก็บอกได้ทันทีว่าคณะลูกหาบที่แยกทางกัน ยังไม่เดินผ่านมาถึงตันแหน่งนี้เขาหยุดอยู่ตรงนั้นชูมือขึ้นสูงเป็นสัญญาณเพื่อให้ทุกคนที่กำลังเดินอย่างอิดโรยตามกันลงมาหยุดพักชั่วคราวอีกครั้งนี่คือจุดที่เราจะได้พบกับพวกนั้นครับกะว่าไม่ควรเกินสินาทีข้างหน้านี้แหละพวกเขาควรจะเดินมาถึงระพินบอกเรียบๆกับทุกคนตนเองหย่อนกายลงไปบนขั้นลูกรังตอนน ลักษณะเหมือนขั้นบันไดซึ่งฝนชะไว้ทั้งหมดมารวมกลุ่มกันนั่งเอาหลังพิงก้อนหินความอิดโรยความกระหายทำให้แทบจะไม่อยากพูดอะไรทั้งสิน้นวันนี้ดูจะเป็นการเดินทางที่หนักกว่าทุกวันซึ่งผ่านมาโดยเฉพาะในความรู้สึกของฝ่ายนายจ้างและปัญหาเรื่องขาดน้ำแม้จะชั่วขณะก็เริ่มเกิดขึ้นเป็นครั้งแรก คิดและแตนลีหน้าแดงกำเป็นกุ้งเผาเบริปลดเป้หลังออกใช้หนุนศีรษะนอนงายขาข้างหนึ่งเหยียดยาวอีกข้างหนึ่งชันขึ้นส่วนคริสติน่ามือยังกุมลูกคำอยู่ที่หน้าอกตลอดเวลาเชิอ ว, วุฒเองก็เต็มกลืนเช่นกันแต่ฝืนวางหน้าไว้ให้เป็นปกติวางไรเฟิลพิงก้อนหินไว้ฟักบุรีออกมาจะจุดสูบแต่บุญคำคว้าข้อมือไว้เดี๋ยว นายทหารหิวน้ำหรือเปล่าขอแห้งเป็นคุกผงเลยจะทำเชิดบุตรบอกตามตรงถัางั้นก็อย่าสูบยามันจะยิ่งหนักเข้าไปอีกประเดี๋ยวพวกเราก็มาถึงแล้วรอน้ำจากพวกนั้นก่อนแล้วกันนายทหารหนุ่มยอมปฏิบัติตามโดยดีเก็บบุหรี่ไว้ตามเดิมแล้วหันไปทางสองสาวซึ่งนั่งและนอนอยู่ใกล้กัน ใครมีหมากฝรั่งมากนี่คริสตินากาเบ่เหนื่อยเสียจนไม่อยากกระดิกกระเดียต่างคนต่างเฉยสแตนลียโยนซองหมากฝรั่งมาให้เชอดบุตรแกะออกใส่ปากอันนึงแล้วผ่านทั้งซองไปให้ระพินจอมรานสั่นสีรัะกเขาจึงส่งให้บุญคำซึ่งแกก็ตะครุบไปโดยเร็ ว, รวไม่ใช่ว่ราะหิวน้ำหรือประสงค์จะหาอะไรมาคลี่คลายหรอกแต่อยากกินอะไรห ว, หวานๆจะมากกว่า ไม่ว่าจะเป็นเรชั่นเสเบียงกลางของขบเคี้ยวหรืออะไรทั้งนั้นจากฝ่ายนายจ้างตาคำเป็นอยากจะทดลองไปซะทั้งนั้นระพินปล่อยให้ฝ่ายนายจ้างนั่งทักกันเงียบๆประมาณสามสี่นาทีโดยไม่ชวนพูดอะไรทั้งสิ่งเพราะก็รู้อยู่ว่าพวกนั้นพูดไม่ออกหรือไม่มีอารมณ์ที่จะพูดต่อมาจึงเดินเข้าไปหาคริสตินาผูดตลอดเวลาสังเกตเห็นหน้ามุย่ยกังวลอยู่แต่อกตัวเองที่ถูกพึ่งต่อย เพราะประเดี๋ยวก็ก้มลงเปิดดูสักทีนึงเป็นไงบ้างครับคริสหายปวดหรือยังร้อนสั่นสีสั่ถอนใจแรงมันบัวมากด้วยศีรพิงรู้สึกว่าฉันจะแพ้พิษของมแมลงเมืองร้อนทุกชนิดนะขนาดถูกมดกัดยังปวดแสกปวดร้อนอยู่นานนี่พึ่งทั้งตัวเลยคุณ่านใหญ่หันไปพยักหน้าเรียกคนของเขาบขุญคาเดินก็มาหาโดยเร็ว ภายหลังจากที่สั่งความอะไรกันสองสามคำตาพรานเท่าก็ผลุหายก็ไปในพงโรกริมทางครูเดียวก็กาเอาใบไม้สีเขียวๆลักษณะใบเรียวยาวมาเต็มกำมือส่งให้เขารบพินสุดกายลงตรงหน้าแม่ผมทองบริเวณที่คุณถูกมันฝังเหล็กในนะ่ะมันเป็นเนื้ออ่อนได้เจ็บปวดมากถ้าถูกตามแขนหรือผิวหนังหนาๆก็จะไม่กระไรนักหรอกอ่ะนี่ เขาส่งใบไม้กำนันให้หล่อนคริสติน่ามองหน้าอย่างตื่นตื่นงงงถ้าเชื่อผมก็ทดลองดูนะคุณคุณจะไม่ต้องฉีดยากแก้แพ้หรือทรมานอีกต่อไปนี่นะมันเป็นใบพืชล้มลุกชนิดหนึ่งมีชื่อในภาษาละตินด้วยแต่ผมไม่สนใจหรอกภาษาไทยนะเขาเรียกว่าเสลตพังพรวิธีใช้ก็ขยี้ใบมันให้แหลกละเอียดจนกลายเป็นาน้ำสีเขียว แล้วก็เอาไว้น้ำสีเขียวจากใบที่ขยี้แหลดนี่แหละละเลงทาตรงบาดแผลและบริเวณที่บวมไม่เกินสิบนาทีพิษเจ็บปวดและการบวมจะหายเป็นปลิดทิ้งคำพูดของเขาทำให้ทุกคนหันมามองทันทีแม้แต่เบรนผู้นอนหลับตาอยู่ก็พ ง, งกสีสักขึ้นคริสติน่ายัางมองหน้าเขาอยู่เช่นนั้นฝืนยิ้มฉันคิดว่าฉันรอยาฉีดดีกว่าลวมะ างั้นก็ตามใจคุณดิเขาบอกง่ายๆเหมือนกันขยับจะลุกขึ้นทันทีนั้นสเตนลีก็คว้าข้อมือไว้เดี๋ยวหัวหน้าคณะร้องทักขึ้นยังตามข้อมือพลานใหญ่ไว้เช่นนั้นเหลียวไปดูหน้าลูกน้องคนสวยนี่คริสติน่ากว่ายาจากักรีเวชพันย์จะมาถึงเธอจะทรมานอยู่ทำไมลองดูตามเขาบอกเถอะ ในป่านะถ้าไม่เชื่อระพินแล้วเธอจะไปเชื่อใครอ้ขยี่ให้แหลกจนเป็นยางเหนียวแล้วทาอย่างนั้นเออหลนถามเขาอีกครั้งยังไม่แน่ใจใช่ครับถ้าทำเองไม่สะดวกก็ให้หมอเบนช่วยทาให้ก็ได้โอเคลองดูฉันก็ปวดจจแย่อยู่แล้วแล้วก็งุดหงิดด้วยสิเฮ้เบร์ิฟเนี้อห้ โยกหลังหลอนหันไปทางเพื่อนสาวเบนดึงกายลุกขึ้นทันทีคริสติน่าหมุนตัวหันหลังให้กับทุกคนเบนจัดการขยี้ใบเสลจพังพรลงบนฝ่ามือแล้วใช้เนื้อใบที่ขยี้จนน้ำเปียกชุ่มนั้นละเลงทาให้ที่บริเวณตรงที่ถูกเหล็กในพึ่งเสียงคริสติน่าอุทานออกมาเบาๆอย่างเจ็บเพราะแรงขยี้อึดใจใหญ่ก็เสร็จสัเรียบร้อย เชิดบุตเอียงหน้าเข้ามากระซิบถามพรานใหญ่โดยพวกนั้นไม่ทันสังเกตเมื่อรพินเดินผ่กห่างออกมาคุณรพินโดนกขบนเต้าเลยเหรอหางจากหัวนมนิ้วเดียวท่านนั้นแหละคุณถ้าโดนตุ่มหัวนมแล้วก็ชักนายทหารหนุ่มหลับตาแยกเขี้ยวไปหาหน้าหวาดเสียวแต่นับว่าแม่เนี่ยทนตาานะคุณ ดูดูก็น่าสงสารพูกจริงจริงน ะ, ะพินผมอยากใจคุณปราณีคริสติน่ากระเบนบ้างนะถึงยังไงผู้หญิงก็คือผู้หญิงนั่นแหละคุณคุณบูธผมก็ว่าผมทำดีที่สุดแล้วนะสำหรับสุภาพสตรีสองคนนะ่ะผมไม่ได้มีอคติไม่ได้คิดที่จะแกล้งทำให้เหนื่อยยากหรือทรมานเกินความจำเป็นใดๆทั้งสิ้นนะแล้วก็เชื่อมั่นว่า ทั้งสองคนไปกับเราได้อย่างสบายเหตุการณ์มันจะสอนให้ทุกคนแกร่งขึ้นไปลำดับครับคิดมีท่าทียังไงมั่งสำหรับคุณเดี๋ยวนี้ตัวแทนจับฝ่ายเข่ากรองกะลาห ו มกระซิบถามอย่างความเห็นต่อมาสบายมากครับคุณพุษความจริงไอ้หมอนี่ก็ไม่มีอะไรหรอกถ้ารู้สันดานครั้งแรกก็ทำมาผมหนักใจเหมือนกันเนสตลีล่ะ ลักษณะเขาก็เป็นผู้ใหญ่ที่น่านับถือนะมีเหตุผลหลักเกณฑ์แล้วก็ละเอียดรอบคอบดีมากแล้วก็เป็นบุคคลที่น่ากลัวมากด้วยถ้าเขามีแผนอะไรกับพวกผมแต่ผมก็ไม่อยากจะคิดถึงเรื่องนี้แล้วล่ะถึงยังไงพวกนี้ก็ไม่มีโอกาสเล่นตลบหลังผมได้เลยกลาบใดก็ตามที่ยังอยู่กันในป่านี่คุณห้าวันเต็มๆแล้วนะเนี่ยที่เราบุกป่าฟ้าดงมาเรือยกัน คุณสังเกตอะไรในระหว่างอเมริกันสี่คนสองคู่นี้มั่งหรือเปล่าถ้าในเรื่องอุปนิสัยใจคอและความสามารถของแต่ละบุคคล น, น่ะก็พอจะทราบมั่งละคุณวุฒิแต่ถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวของคนเหล่านั้นผมไม่สนใจครับคุณรู้ป่ะเบเนเป็นคู่เล่นของเจ้าคิดแต่ก็ไม่ผูกขาดหรอกครับผมทราบครับแล้วก็ทราบด้วย ว่ามีคุณเชิดบุตรกำลังจะแทรกกลางหรือตีท้ายครัวอยู่ซึ่งก็ไม่ทราบว่าก้าวหน้าไปแค่ไหนแล้วเชิดบุตรปิดปากหัวเราะเงียบๆผมน่ะไม่พะวงกับเบนเท่าไหร่นักหรอกของมันตายอยู่แล้วแค่รอโอกาสเท่านั้นแหละแต่บอกตรงๆคุณเห็นคริสติน่าแล้วมันปั่นปนไปหมดยิ่งจ้องยิ่งตัวเกรงแต่ท่าทางจะเล่นด้วยยากเหลือเกินอ๋อก็พยายามก็สิ ระยะทางข้างหน้ามันอีกไกลคุณโอกาสไม่เหลือเฟือผมเห็นคุณพุทธทำหมายหยอกไก่อยู่ตลอดเวลาแล้วไม่ใช่เหรอระพินถามยิ้มยิ้มโธคุณหยอกทีไรไก่มันก็กระตากทุกทีผมคนเดียวเมื่อไหร่เจ้าคิดมันก็หาโอกาสอยู่เหมือนกันแต่ผมไมเห็นแม่เจ้าประคุณตกเอาช น, น้าหันหลายทีมาแล้วตอนไอ้นั่น่ะปั้มจูบเวลาผลิรับตาคุณ ถ้งั้นคุณกะคิดก็ต้องลงสนามประลองฝีเท้ากันหน่อยละว่าใครจะเข้าถึงหลักใช้ก่อนโธม้ามืดไม่น่าจะพูดอย่างนี้เลยเชิดบุธบ่นอ่อยมองหน้าเขาอย่างมีความหมายแล้วเอาสอกกระทุง้งผมไม่ใช่ม้ามืดหรอกคุณบุตรผมไม่ได้คิดจะลงแข่งสนามนี้ด้วยบอกหลายครั้งแน่น่านี่คุณพิน ถามจริงเหรอในสายตาของคุณน่ะคริสมีอะไรอยู่กับด็อกเตอร์สแตนลี่บ้ะเอา้าเรื่องนั้นน่ะผมว่าผมควรจะถามคุณมากกว่าเพราะคุณน่ะรู้จักคนชุดนี้มาก่อนผมนี่ลูกชายท่านนายพลโครงหัวผมก็จับสังเกตมานานแล้วนะ่ะแต่ดูไม่ออกเลยไม่เห็นวี่แววพิรุธอะไรด้วยแต่ก็ไม่รู้สแตลลีจะใช้วิธีกินเงียบเงียบหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคุณ ถ้าคุณบุษดูไม่ออกผมก็ยิ่งดูไม่ออกใหญ่แต่มาคิดอีกทีก็อยากจะเชื่อนะว่าสตาลีไม่ยุ่งกับเรื่องพันนี้หรอกเพราะเขาเป็นหัวหน้า ง, งานผู้หญิงสองคนนั่นก็เคารพนับถือก้ามากถ้าบาังเอินไป ม, มีอะไรกับลูกน้องที่เป็นผู้หญิงมันก็จะเสียการปกครองความเกรงใจก็จะไม่มีเออขอประวัตินายเป็นยังงันเหอะผมนอนร่วมกับพวก ในแคมป์ทุกคืนจากพิรุษไม่ได้สักทีระหว่างคริสติ น, นนะ่ากับนายด็อกเตอร์นั่นหรือหมอหนนจะเป็นคนไม่สนใจเรื่องเพศก็อาจเป็นได้นะและเชิดบุตรก็จ้องหน้าระพินสแตนลีย์ Stanley ก็อาจเหมือนคุณก็ได้นะระพินที่ไม่มีความกระตือรือร้อนอะไรเกี่ยวกับเรื่องเพศโรงข้ามนะจอมพรานหัวเราะโบเบาคุณอาจเข้าใจด็อกเตอร์สแตนลีย์ถูกนะแต่เข้าใจผมผิดครับ ผมก็เหมือนผู้ชายธรรมดาคนหนึ่งเพียงแต่ว่าผมซื่อสัตย์ต่อผู้หญิงคนที่ผมรักเท่านั้นทั้งต่อหน้าและรับหลังด้วยแม้ว่าจะไม่มีหวังที่จะได้พบเห็นเธออีกแล้วก็ตามประโยคสุดท้ายของเขาแหบหายเข้าไปในลำคอแววตาเศร้าหมองลง44งนาทีที่ระพินไครวันรำพึงเศร้าออกมาเช่นนั้น โลกอีกส่วนหนึ่งก็มีการรําพึงของใครอีกคนหนึ่งขึ้นในเวลาเดียวกันระพินอยากรู้เหลือเกินว่าขณะ น, นี้วินาทีนี้คุณอยู่ที่ไหนนะและกําลังทําอะไรอยู่ฉันร้อนใจสังหรนใจเหลือเกินนั่นเป็นความคิดคํานึงอยู่ภายในแต่กิริยาภายนอกนั้นเจ้าของความคิดกําลังเดินพล่านอยู่ในห้องนั่งเล่น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 เป็นคนคุ้นเคยกันดีมาก่อนสั่งให้คนไปตามตัวนายอำพลผู้อำนวยการของบริษัทไทยไวไลฟ์หนาสถานีกักสัตว์อันตั้งอยู่ในตำบลห่างไกลาจากตัวจังหวัดให้มาผู้โทรศัพท์โดยแจ้งให้ทราบว่ามีเรื่องที่จะติดต่อด้วยเป็นการด่วนท่านผู้ว่ารับทราบคำสั่งนั้นรับปากว่าจะให้คนไปตามผู้อานวยการไทยไวไลฟ์ให้มารับโทรศัพท์แต่ขอเวลาหน่อย เพราะระยะทางติดตามตัวมันห่างไกลแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะพบนายอัมพลได้รวดเร็วแค่ไหนแต่ก็บอกไว้เป็นมั่นเป็นเหมาะว่าถ้าเขามาถึงบ้านพักก็จะให้โทรศัพท์ย้อนกลับมากรุงเทพทันทีจากสามโมงเช้าที่หม่อมราชวงศ์หญิงดารินวราฤทธิ์เรียกไปจนกระทั่งบัดนี้เป็นเวลาขาดอีกสิบนาทีก็จะบ่ายสามโมงเย็นยังไม่มีวิเววของโทรศัพท์ทางไกล นอกจากโทรศัพท์ธรรมดาจากเพื่อนฝูงภายในห้องที่น้องสาวคนเล็กของตระกูลเดินพล่านเป็นชมดพี่ชายสองคนนั่งดื่มและสนทนากันอยู่เงียบๆโดยไม่สนใจอะไรนักนอกจากนานๆนนครั้งก็จะชำเลืองดูความกระวนกระวายใจของน้องสาวคนสวยสักทีหนึ่งนี่นั่งลงสักทีเดีวนาะหน้อยคุณอำพลเขามาถึงจังหวัดเมื่อไร ก็คงจะโทรเข้ามาเองแหละผู้ว่าเขาก็รับปากเป็นมั่นเป็นเหมาะแล้วไม่ใช่เหรอว่าจะส่งคนไปตามตัวมาให้พี่ชายคนกลางหม่อมราชวงศ์อนุชาวราริศบอกมาเบาๆอย่างรำคาญใจแทนดารินสบัดผมมือหนึ่งกอด อ, อกอีกมือหนึ่งต่อบุหรีตัวใหม่จากจังหวัดถึงสถานีกักสัตว์ของกุน้ำพลอย่างมากก็ใช้เวลาเดินทางแค่ชั่วโมงครึ่ง ไม่ติดต่อไปตั้งแต่สามโมงเชา้าเกือบจะบ่ายสามโมงเย็นแล้วหกชั่วงเต็มๆแล้วนะคุณน้ำพล ห, หายหัวไปอยู่เสที่ไหนน้อยนะ่ะร้อนใจจนบอกไม่ถูกแล้ววันนี้ทั้งวันไม่ต้องไปไหนอะ่ะเฝ้าโทรศัพท์คุณน้ำพลอยู่นี่เองพี่การกับพี่ใหญ่ออกไปนอกบ้านพื่อนตอบก็มานั่งอยู่ที่นี่มาไปเกินครึ่งชั่วโมงนี่เองเอา้าก็ธุระอะไรพี่จะต้องมานั่งคอยเฝ้าโทรศัพท์อยู่ด้วยแล้ว คุณชายใหญ่โยนหนังสือพิมพ์ลงไปกระโตะเอื้อมมือหยิบแก้วบรันดีมองดูน้องสาวอย่างขันขั น, ขนกึ่งสมเพศวันนี้ถึงยังไงคุณอำพลก็โทรมาเองแหละนาอาจเป็นได้ที่ยังตามตัวกันไม่พบคุณอำพลนะ่ะแกไปไหนไม่ไกลหรอกอย่างมากก็อยู่แถวแถวอำเภอใกล้ๆ ล, ละแวกนั้นแหละไอการให้ไปตามตัวโดยไม่ได้นัดหนไว้ก่อนล่วงหนามันก็ทาให้ช้ามัง พี่ดูน้อยไม่มีความสุขเลยนะพรุ่งนี้ก็จะวันเกิดของตัวเองอยู่แล้วรปินอาจจะเข้ากรุงเทพพรุ่งนี้ก็ได้นี่น้องสาวเม้มริมฝีปากแน่นก้มลงมองดูปลายบุหรี่ที่ติดไฟในมือสีหน้าเคร่งขรึมและมีคราวของการอดนอนเมื่อคืนที่ผ่านมานิ่งไปครู่ก็บอกน้ำเสียงจริงจังว่าน้อยสังหอนใจยังไงบอกไม่ถูกนะคะเมื่อคืนนี้ พี่ใหญ่กับพี่กลางก็ทราบดีอยู่แล้วนี่ว่า น, น้อยฝันร้ายฝันร้ายเอกมากๆเสียด้วยสิไ <c oughs> ราสาระนาะเรามันคิดถึงเขามากเกินไปก็เลยฟุ้งซ่านคิดอะไรวุ่นวายไปสารพัดคิดใช่ไหมละ่ะว่าพินควรจะลงมากรุงเทพก่อนหน้าวันเกิดของน้อยสักวันสองวันพอเห็นเขายังเงียบหายอยู่ก็เลยกังวลกลัวสือนั่นจะไม่มาก็เลยพานฝันเลอะเถอะ พี่ชายคนกลางบอกมาบนเสียงหัวเราะนองสาวคนสวยสันส่นศีรษะไปมาแล้วหันหลังให้พี่ชายทั้งสองไม่บอกแล้วว่าน้อยสังหอนใจยังไงไม่ถูกสำคัญที่สุดก็คือระพินมีโรคประจาตัวอยู่เวลาเ็าเกิดอาการขึ้นมาพี่กลางกับพี่ใหญ่ไม่เคยเห็นหรอกริมริมความตายทีเดียวตั้งแต่ไม่ได้พบหน้ากันมา น้อยไม่เคยฝันอย่างนี้มาก่อนเลยในฝันน่ะเห็นเขากำลังนอนจับไข้สันไม่ได้สติอยู่คนเดียวกลางตาลึกวันนี้อยากจะรู้อย่างเดียวเท่านั้นว่าเขาปกติเรียบร้อยดีหรือเปล่าและพรุ่งนี้จะลงมากรุงเทพหรือเปล่าเท่านั้นและนี้ก็ยังไม่ได้รับการติดต่อรู้ข่าวคืบหน้าอะไรเลยละจะไม่น้อยกังวลได้ยังไงขอรู้อย่างเดียวเท่านั้นว่าตัพรานนั้นยังปกติดีเหมือนเดิมแค่นี้ก็โล่งใจแล้ว ไอ้ส่วนจะมาวันเกิดหรือไม่มาก็สุดแต่เขาเถอะน้อยไม่กังวลหรอกข้ อ, ขอนั้นน่ะเชิดถามองดูอนุชาแล้วหัวเราะเบาๆเดินเข้ามาหยุดยืนอยู่ใกล้ๆน้องสาวคนเล็กที่กำลังอยู่ในอารมณ์พุ่งพล่านกระจับกระสายเต็มทีไบ น, น้อยมากน้อยนี่ไหนเมื่ออาทิตย์ก่อนลงไปพบกับเขาละเห็นกลับมาบอกว่ารพินจะมาวันเกิดเธอแน่แนๆไม่ใช่ไงรพินเขาก็บอกนะคะ ว่าเขาจะมาวันเกิดของน้อยแต่วันนี้เดี๋ยวนี้ขณะนี้แหะคะเขาอยู่เสะที่ไหนจะอยู่ที่ไหนพี่ชายคนกลางยานคางรอๆมาก็เป็นทาสานอยู่แถวๆหนองน้ําแห้งของเขาน呐สิหรือไม่ก็กําลังขนสัตว์ป่ามาส่งที่สถานีกักสัตว์ของคกูน้าพลฮึ่งขาไม่ไปอาบอบนวดหรือไปเที่ยวเสเวียอยู่ที่ไหนรอก ดารินยักไหลฝืนยิ้มถ้าก็ไปอาบอบนวดหรือไปเสพเพลงอยู่ที่ไหนน้อยก็จะสบายใจมากเจ้าค่ะแต่นี่กลัวจะไม่ใช่อย่างนั้นน่ะสินี่พี่กับพี่ใหญ่ในะราคาญ ล, ลู ก, กตาเต็มทีแล้วนะเห็นวุ่นวายมาตั้งแต่ตอนดึกเมื่อคืนนี่แหละแล้วลตั้งแต่เช้าวันนี้ก็ไม่เห็นน้อยเป็นไหนเลยเดินพล่านเป็นชวมดติดจันอยู่แต่ในห้องนี่แหละชวนไปหาอะไรกินนอกบ้านตอนเที่ยงก็ไม่ยอมไปด้วย ไม่รู้ว่าถ้ามัวแต่เฝ้าโทรศัพท์อยู่แบบนี้ล่ะมันจะได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาเชื่อเฮนนะ้าเดี๋ยวตามพนแกก็โทรมาเองนั่นแหละนี่ทำไมติดการทักท้วงของพี่ใหญ่กับพี่กลางเช้าวันนี้นะคะน้อยบึงไปหนองน้ำแห้งแล้วละ่ะไม่ว่ามานั่งคอยรับฟังข่าวทางโทรศัพท์อย่างที่แนะนำอยู่หรอดูดิป่านนี้ละไม่ได้เรื่องอะไรเลยมันช้าผิดปกติช้าซะยิ่งกว่าขับรถไปซะเอง ถ้าไปเองนะป่านี้ถึงแล้วด้วยซ้าพี่ใหญ่กับพี่กลางไม่รู้หรอกวันน้อยน่ะมีญาณพิเศษอยู่ในตัวถ้าลงสังหรณ์อะไรแล้วก็มักจะไม่ผิดเสมอละ่ะสังหรณ์อะไรยังไงไหนลองบอกมาสิสังหรณ์ก็อีเพียงแค่ความฝันเมื่อคืนนี่น่ะเหรอเชยดถามเริ่มจะพินิษ ด, ดูท่าทีของน้องสาวอย่างเข้าใจใส่ขึ้นดารินเ่าควันบุรีเป็นทางยาว และหมุนตัวกระแทกกายยวบลงบนนวมใกล้โต๊ะวางโทรศัพท์สีงามันเป็นฝันที่แปลกที่สุดนะคะพี่ใหญ่มองเห็นภาพทุกสิ่งทุกอย่างชัดเจนเหลือเกินและน้อยก็ยังไม่ได้เล่าให้ฟังโดยละเอียดว่าได้ฝันติดต่อเช่นไรบ้างหลังจากตื่นขึ้นมาพบกับพี่ใหญ่กับพี่กลางตอนดึกแล้วเคลิมหลับไปอีกเอาละไมน่นักฝันฝันว่ายังไงอีกงละ่ะหลังจากแยกกันขึ้นไปนอนแล้วละ่ะ พี่ชายกลางยังเห็นเป็นเรื่องสนุกกระเซามาอย่าให้บอกเลยน้องสาวฉุนกึกสะบัดเสียงหน้าบึง้งอ้าวอ้าอ้าวพ า, าโลพานโกรธไปเลยเออกไปพ้หน้าเดี๋ยวนี้ทั้งพี่กลางพี่ใหญ่นั่นแหละไม่ต้องมานั่งอยู่ที่นี่ด้วยหรอกคนกำลองกลุ้งใจมานั่งแย่อยู่ได้อนุชาลุกขึ้นบิดขี้เกียจบอกกระเช้าว่านี่พี่ใหญ่ ผมว่าพรุ่งนี้เรายายน้อยไปประเคนให้รับพินที่หนองนำแห้งจะดูแล้ว ร, รอดไปซะเลยเป็นไงแถมเงินให้เสือนั่นอีกสักสิบล้านเฮ้ยบวชกันโลกคนดีกรีขนาดด็อกเตอร์อย่างนี้รัฐมนตรีอย่างนี้เจ้าของเหมืองน้ำมันอย่างี้มักติดกันให้เต็มแม่นี่ไม่เอาจะมาเอาพรานป่ามียอดเดิมแค่ร้อยตำรวจเอกตะเวนชายแดงจนกรอบหนุ่มกันเกงตัวเดียวเจ็ดวันไม่เคยซัก อุตส่าห์อยู่เป็นสาวตึ้งทึกมาได้จนกระทั่งอายุจะสามสิบอยู่แล้วซ้ำพอริตรักมันกำเริมก็วุ่นวายร้อนรนระะักษะสาวสิบเจ็ดก็ไม่ปาดเฮ้ยทุเร่นั่นเป็นการพูดล้อเลีเยนยั่วย้าวกันตามประษา พ, พี่น้องมากกว่าจะเจตนาจะหมายความดังที่พูดแต่น้องสาวไม่อยู่ในอารมณ์ที่จะรับฟังได้ซะแล้วหันควับไป่วยได้ที่เขียบุรีทาด้วยกะโหลกเสือเลี่ยมทองเงื้อขึ้น ขยับจะคว้างหน้าพี่ชายกลางอนุชาร้องลั่นกระโดดพลุงหลบหลังเก้าอี้ที่เขียบุุรีอันเคืองยึงลอยข้ามศีรษะไปกระทบฝาผนังแตกกระจายดังสนัน่นนี่ทำไมปืนยิงช่างอยู่ในมือเดี๋ยวนี้แล้วก็ยิงยิงให้ตัวขาดสองท่อนเลยไม่ใช่เพราะพรานป่าทุเรศคนนั้นหรอกเหรอตัเองถึงได้มีชีวิตรอดกลับมาได้รู้งี้ปล่อยให้ไปคุกตายอยู่ในมรกรครนั่นแหละ มันไปตามมาให้เหนื่อยแรกหรอกต่อไปพ่นหู พ, นพ่นตาเดี๋ยวนี้นะนี่ตะตางไม่นั้นฉันอาตายนายแน่ๆจริงๆด้วยน้อยเอากันยังงี้เลยเหรอพี่ชายกลางโวยลั่นหลอนชีนะ้หน้าไม่พูดเปล่าดารินรวราริศกลายเป็นนางเสือดาวขึ้นมาทันทีพุดลุกขึ้นยืนพี่ชายใหญ่คว้าตัวได้ทันรองบอกน้องชายว่ากลายหนยออกไปสกก่อนไป น้อยกําลังอารมณ์ไม่ดีจริงๆไปเดี๋ยวได้ฆ่ า, ากันตายหรอกมราชวงศ์อนุชาหัวร้อแฮน่โบกมือรารีบพูดและล่ําละลักมาโดยเร็วว่าขอโทษนายจะประคุณทุนหัวฉันพูดเล่นนะไม่ได้คิดจะยั่วโทรศาพ์หรือว่าจะเหยียดหยามอะไรคนรักของเธอหรอกยอมรับเขาเป็นน้องเขยโดยไม่มีเงื่อนไขถ้าหากว่าเขารักน้องสาวของฉันจริงก็บอกแล้วไงว่าจะแถมแคลนเดอร์ให้เอ้ยแถมเงินได้อีกสิบล้าน ดีกว่าจะปล่อยน้องสาวของฉันกลายเป็นสาวทืนทึกอารมณ์บ้าๆเบาๆอยู่ทุกอย่างทุกวันนี้ว่าแล้วพี่ชายกลางก็เดินเลี่ยงออกจากห้องไปท่ามกลางการจ้องตาขุนตาเขียวของน้องสาวน้อยน้ำเสียงกรุณาของพี่ชายใหญ่เอ่ยขึ้นเบาๆจ้องหน้าอย่างน้อยที่สุดหล่อนก็เคารพยังเกรงเชิดายิ่งกว่าอนุชามากนัก เพราะพี่ชายกลางอยู่ในวัยไล่เลี่ยและเล่นหัวสนิทสนมกันมาฉันเพื่อนแต่เล็กแต่น้อยประกอบกับที่ยังไม่มีความเป็นผู้ใหญ่นักสำหรับหม่อมราชวงศ์อนุชาวราริเชื่อถากดตัวน้องสาวให้นั่งลงบนนวมตัวเดิมตนนัวเองนั่งลงใกล้ๆจับมือไวในลองเล่าใพี่ฟังสิไม่ฝันเห็นอะไรมากไปกว่าที่เล่าพี่ฟังไปแล้ว พี่ใหญ่ต้องไม่หาว่าน้อยเพรเจอรหรือบ้าไปนะคะแต่ไหนแต่ไรมาพี่ก็รับฟังน้อยเสมอนี่หลอนนิ่งงันไปอึดใจนี่พี่ใหญ่คะหลังจากที่น้อยฝันเห็นภาพพระพินนอนจับไข่หนาวสั่นอยู่คนเดียวกลางป่าลึกแล้วน้อยกลับขึ้นมานอนต่อพยายามจะให้หลับก็รู้สึกเคลิ้มๆ ค, ค่ะว่าจะฝันก็ไม่เชิง น้อเห็นแง่ทรายมายืนอยู่ที่ปลายตีมเตียงแง่ทรายเหรอเช่ถทาอุทานลืมตากว้างค่ะแง่ทรา ย, ายไม่ใช่จักรราชนะคะเพราะอยู่ในชุดพรานกระเหี่ยงพนเน จ, จรของเขานั่นแหละสะพายปืนวินคานเวี่ยง44ขีด40กระบอกคู่มือเขาอย่างที่เราเคยเห็นในวันแรกที่ไปสมัครเป็นลูกหาบ เขาเรียกน้อยชัดเจนที่สุดว่านายหญิงยังแว่วอยู่จนกระทั่งเดี๋ยวนี้เลยตอนนั้นน้อยนอนตัวแข็งไปหมดขยับขยื่นไม่ได้จะพูดอะไรก็พูดไม่ออกแงซายพูดกับ น, น้อยสั้นๆต่อไปว่านายหญิงขณะนี้ผู้กองรพินกำลังตกอยู่ในฐานะลำบากกลางป่าใหญ่ถ้านายหญิงรักผู้กองจริงก็ขอให้ออกตามเถอะเขาอาจจะได้กลับมา หรืออาจจะไม่กลับมาอีกแล้วเงาสายมาเรียนให้หนายหญิงทราบแค่นี้แหละจบประโยคแค่นั้นนหะคะ่ะเงาสายก็หายวับไปกระตาน้อยรีบลุกขึ้นมาเปิดไฟทันทีภายในห้องนอนว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยมันเป็นเรื่องมหัศจรรย์มากนะคะพี่ใหญ่สภาพของน้อยตอนนั้นเหมือนถูกผีอำอย่างนั้นแหละขณะที่เห็นเงาสายมายืนบอกความแต่พี่ใหญ่ไม่ต้องร่ า, พางพี่กลางฟังนะคะ เดี๋ยวก็มาหัวเราะเ ย, ยอะน้อยอีกหรอกเช่ฐาครางอะไรออกมาคำหนึ่งในลำคอพยักหน้าช้าๆแววตาเริ่มเคร่งลงเขาไม่ได้มองเห็นคำบอกเล่าของน้องสาวเป็นสิ่งไร้าสาระเลยมิฉะนั้นก็เป็นผู้ใหญ่ที่เข้าใจความรู้สึกของน้องสาวในขณะนี้ได้ดีที่สุดไม่ต้องการจะทำอะไรให้เป็นที่สะเทือนใจแปลกมากแปลกมาก น้อยเหลวไหลามากเกินไปไหมคะพี่ใหญ่เธอเป็นแพทย์เป็นนักวิทยาศาสตร์อยู่ด้วยในตัวเองแล้วพี่ไม่คิดว่าน้อยจะพูดอะไรหรือมีความรู้สึกที่เหลวไหลหรอกนะแล้วก็ไอเรื่องยานสังหรณ์ของน้อยนะ่ะพี่ก็เห็นว่ามันศักดิ์สิทธิ์สมจริงมาหลายครั้งแล้วเธอเป็นคนมีเส้นพิเศษลึกลับอยู่ในตัวที่ไม่เหมือนใครเอเท่าที่เล่ามาให้ฟังนี่ก็ทําให้พี่ชักไม่สบายใจเหมือนกันแฮ กระพินมีเรื่องอะไรหรือเปล่านี่ตอนที่น้อยไปพบเขาครั้งล่าสุดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอ่ะสังเกตดูเขาปกติเรียบร้อยดีเหรอมีข้าวอะไรบ้างไหมปกติเรียบร้อยดีที่สุดค่ะพี่ใหญ่ไม่มีวิเววที่จะบอกลางร้ายอะไรสักอย่างเดียวพี่ชายจุดซิกาแววตาเริ่มใช้ความคิดตอนนี้นะเราจะทาอะไรไม่ได้หรอกน้อย จนกว่าจะได้ข่าวจากคุณน้ำพลซะก่อนเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่จะลองโทรศัพท์ทางไกลถึงผู้ว่าอีกครั้งแล้วกันว่าไปตามตัวกันถึงไหนตอนนี้ทำไมคุณน้ำพลถึงได้ยังเงียบต่อมอยู่ว่าแล้วเขาก็เอื้อมมือไปที่เครื่องรับโทรศัพท์แต่ยังไม่ทันจะแตะเสียงกริ่งก็ดังขึ้นทันทีสองพี่น้องมองสุตากันน้อยจะรับหรือให้พี่รับละ่ะ พี่ใหญ่รับเถอคะค่ะน้อยกลัวว่าเป็นโทรศัพท์จากชา ย, ยันใช่มากกว่าเห็นบอกมาเมื่อเช้านี่ว่ามีเจ็บท้องถีเขาละกล่าว่าคงไม่พ้นคืนนี้ก็คงจะคลอดแน่จัเตรียมพร้อมไว้แล้วถ้าจะคลอดจริงๆรน้อยจะไปจัดการให้คะ่ะเชฐท้ายกหูขึ้นพอโหลฝ่ายตรงข้ามก็รายงานว่าทางไกลคะ่ะตัวรอสักครู่คะ่ะ ราชสกุลวราริศคนโตตาสว่างขึ้นมาทันทีบอกเรียวปรือว่าคงจะเป็นคุณอำพลแน่แล้วล่ะน้อยเร็วเธอไปรับเครื่องพว่วงเครื่องโน้นแล้วกันพี่จะฟังอยู่ที่เครื่องนี้นะน้อยเป็นคนพูดกับเขาก็แล้วกันพี่จะคอยฟังด้วยดารินกระโจนพรวดเดียวถึงโทรศัพท์เครื่องพว่วงอีกเครื่องหนึง่งคว้าหูขึ้นมาด้วยมืออันสั่นเทาหลอนฮัลโหลที ท, ทีอยู่หลายครั้งแต่ก็เงียบกริบไม่มีเสียงตอบ ยิงยืงกำรรหูโทรศัพท์แน่นรอคอยอยู่คงจะเป็นพระโอเปเรเตอร์อยังวุ่นอยู่กับการต่อสายใจใหญ่ต่อมาเสียงชัดเจนที่หล่อนจำได้ว่าเป็นเสียงนายอัมพลก็แว่วมาฮลัลโหลผมอัมพลพูดครับคุณอณัมพลนี่ฉันดารินนะโอสวัสดีครับคุณหญิงเสียงฝ่ายโน้นรัวเร็วมาอย่างรีบร้อนกรุณาอย่าเพิ่งด่าผมนะครับ ท่านผู้ว่ายคนไปตามผมบางเงินผมไปต่างอำเภอครับกว่าจะรู้ข่าวกันก็ปาเข้าไปเกือบบ่ายสองโมงแล้วผมก็เลยรีบพ่อรถจีกันมาในตัวจังหวัดได้ทราบว่าคุณหญิงเรียกมาตั้งแต่เช้าแล้วมีอะไรใจผมรับใช้เหรอครับนี่ฉันนึกว่าคุณอำพลตายไปใส่แล้วเนยะล่อนเน้นเสียงอย่างหงุดหงิดฝ่ายตรงข้ามหัวรอแหย่แต่เราฟังอยู่โดยยังไม่พูดอะไรนี่ วันนี้ทั้งวันนละฉันไม่ต้องไปไหนเลยนั่งรอโทรศัพท์จากคุณอยู่นั่นแหละบ้าจริงไม่ไรหรือครับคุณหญิงนายอัมพลพูดมาอ่อยๆและคนไปกระเสียงหัวเราะที่ฟังดูไม่สู้จะแจ่มใสนะอ๋อมีแนะ่ถ้าไม่มีก็ไม่ใช่ไม่ใช่ผู้ว่ า, าไว้ตามตัวมาพูดหรอกนี่คุณพลคุณได้ยินเสียงมองชัดหรือเปล่าชัดเจนดีมากครับผมขนาดนั้นเอง อนุชาวราริที่หลบออกไปข้างนอกชั่วขณะก็ผูกเข้ามาในห้องอีกครั้งแล้วยืนฟังอยู่ด้วยซึ่งมันก็พอดีกับที่น้องสาวคนเล็กถามลงไปในโทรศัพท์ว่าตอนนี้ครับพินอยู่ไหนมากับคุณอำพลด้วยหรือเปล่านายอำพลจากสายโทรศัพท์ทางไกลดูเหมือนจะนิ่งไปนานทีเดียวก่อนที่จะตะกุกตะกักออกมาว่าเปล่าเปล่าครับคุณหญิง คุณคุณพินไม่ได้มากับผมด้วยครับแล้วเขาอยู่ที่ไหนขณะ น, นี้อยู่ที่หนองน้ําแห้งที่สถานีกักศัต ร, ร์ของคุณหรือไปธุระที่ไหนดา่าริงยิงคําถามเร็วหรือราวกับปืนกลในขณะที่พี่ชายคนนึงถือหูโทรศัพท์อีกเครื่องหนึง่งฟังอยู่ด้วยและอีกคนนึงเข้ามายืนกอดอกฟังอยู่ใกล้ก โทรศัพท์ทางไกลมองไม่เห็นตัวหรือสีหน้าแววตาของกันและกันระหว่างผู้ติดต่ตอแต่จากลีลาท่าทางของการที่พูดอ้อมแอมไม่เต็มปากและการนิ่งอึๆ อ, อ, อ, อักของฝ่ายตรงข้ามทำให้ฝ่ายที่รับฟังอยู่ทางกรุงเทพจับสำเนียงได้ทันทีว่านายอภพลมีความลาบากใจอะไรบางอย่างที่จะพูดอาอ่าง่ายอยู่นั่นแหละคุณอภพล ทางนี้ราชสกุลสาวตะหวาดลั่นฉันถามว่ายังไงไม่ได้ยินเออรับพินอยู่ที่ไหนเชษฐาสบตาอนุชาทันทีคุณชายกลางก้ า, าวยาวๆตรงไปที่โทรศัพท์เครื่องของพี่ชายพูดเบาๆไหนๆขอผมฟังเสียงคุณอำพลหน่อยสิครับพี่ใหญ่เชษฐาส่งเครื่องให้น้องชายทันที อนุชาวาราริ์ผู้รู้สึกในความปกติผิดปกติเช่นกันรับออกมาแน่ผูเพื่อรอฟังเสียงโตอตอบของนายอัมพลเ ด, เ, ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครับคุณหญิงเสียงผบนวยการส่งสัตว์ป่าออกขอกประเทศอูอีเป็นเสียงซึ่งเกิดจากความรู้สึกของเขาเองหาจะเสียงอูอีของเครื่องโทรศัพท์และได้ยินถนัดแม้กระทั่งเสียงถอนใจและเมื่อนั้นเอง อนุชาก็พูดแทรกออกไปด้วยคําพูดที่ชัดเจนว่าสวัสดีคุณอาพลนี่ผมอนุชาพูดนะขณะนี้เราอยู่กันครบสามพี่น้องภายในห้องที่พูดโทรศัพท์กับคุณอาพลนี่แหละเรากําลังรอคําตอบที่แน่ชัดจากคุณว่าราพินอยู่ที่ไหนยังไงแล้วก็ปกติเรียบร้อยดีหรือเปล่าเรารู้สึกว่าคุณมีอะไรบางอย่างที่เจตนาจะปกปิด อ, อ, อ, อ้ําําเอื้งอื้องอยู่นะ คุณคุณใช้กลางครับผมผมผมไม่ได้มีเจตานาที่จะปกปิดอ้ําอือกอะไรหรอกครับเกี่ยวกับคุณพินน่ะแต่ผมลําบากใจเหลือเกินน่ะที่จะเรียนให้ทราบเรื่องละเอียดทั้งหมดอะ่ะนายอําพลละล่ำละลักมาอย่างลุนลานคือคือผมหมายถึงว่าไม่อาจที่จะเรียนให้ทราบเรื่องราวทั้งหมดโดยทางโทรศัพท์นะครับ ขอความกรุณาอย่างนี้ได้ไหมครับผมจะตีรถลงกรุงเทพเดี๋ยวนี้ครับกะว่าคงจะถึงบ้านของท่านไม่เกินเที่ยงคืนนี้แล้วผมก็จะเอารายละเอียดทั้งหมดไปกราบเรียนให้ฟังโดยไม่ปิดบางจนนิดเดียวครับเอ้แปลกมีอะไรเหรอคุณยิ่งพูดอย่างนี้ฉันยิ่งร้อนใจอย่างกรไฟเผานะคุณหม่อมราชวงศ์สาวร้องลั่นในขณะที่อนุชาก็ทำหน้าตื่นปิดกระบอกพูดโทรศัพท์ หันไปรายงานต่อให้พี่ชายใหญ่ฟังโดยเร็วจากประโยคพูดของนายอมพลโปรดครับผมจะไปพบแล้วก็เล่าให้ฟังด้วยตัวเองครับอย่าให้ผมพูดทางโทรศัพท์ไปครับและถ้าผมถ้าอนุญาตให้ผมไปนะครับหลังจากที่วางหูนี่แล้วผมก็จะเดินทางทันทีเดี๋ยวนี้แ่ะครับ ผู้อำนวยการไทยไวไลบอกมาด้วยน้ำเสียงร้อนรนวิงวอนเอางี้ดีกว่าฉันรู้สึกว่ามันจะเกิดเรื่องร้ายแรงขึ้นเสียแล้วนะเกี่ยวกรบพินดารินพูดช้าๆพยายามระงับอารมณ์ไว้นิ้วมืออีกข้างหนึ่งที่ถือสายโทรศัพท์อยู่ขมวดพันอย่างไม่รู้ตัวคุณจะลงมาพบเราที่นี่ภายในคืนนี้เลยก็ดีจะรอ แต่ก่อนอื่นขอให้รู้เขาข่าวสักนิดเถอะแล้วพินเจ็บหนักหรือเปล่าหรือว่าเขาตายใชและคุณตอบสั้นๆเท่านั้นแหละผมผมขอยืนยันครับว่าคุณรพินไม่ได้เจ็บหนักหรือว่ารับอุบัติเหตุแรงใ ด, ๆ, ดๆทั้งสิ้นครับสำหรับในขณะนี้ปรดวางใจได้เฉพาะในสองคำถามนั่นครับก็ทำไมคุณไม่บอกให้ชัดว่าตอนนี้รพินยอยู่ที่ไหน อนุชาถามสวนไปในทันทีคือคือว่าคือว่าตอนนี้เออเออคุณรพินเข้าป่าครับเข้าป่าดารินตะโกนครับห้องมือสันริกริกรันพูดอะไรไม่ออกอีกในขณะนั้นได้แต่ยืนนิ่งปล่อยหน้าที่พี่ชายกลางเป็นผู้สอบถามนี่ ผู้ใดชัดอีกนิดเถอะคุณน้ำพลแล้พิงเข้าป่าไปไหนไปทำธุระ ส, ส่วนตัวของเขาไปดักสัตว์ให้คุณหรือว่ามีเหตุการณ์อย่างอื่นเข้าไปกี่วันแล้วไปตั้งแต่เมื่อไหร่และจะกลับเมื่อไหร่ถ้าหากพี่น้องทั้งสามของสกุลวาราริที่กำลังรอรับฟังข่าวอยู่ในขณะ น, นี้สามารถมองเห็นหน้าผู้อำนวยการบริษัทส่งสัตว์ป่าออกนอกประเทศ คงเห็นว่าหน้าเขาเพื่มีอาการเหมือนอยากจะร้องไห้ด้วยความอัดอั้นปันใจไม่ทราบจะรายงานโดยทางโทรศัพท์ได้ยังไงเพราะถูกรุกด้วยคําถามจนตั้งตัวไม่ติดเออคือคือคุณรพินมีธุระต้องเข้าป่าอย่างกระทันหันที่สุดนะครับในที่สุดเขาก็ตัดสินใจบอกเท่าที่จะรายงานได้โดยทางโทรศัพท์ ไม่ไม่ใช่ธุระส่วนตัวหรือธุระของผมนะครับแต่แต่เป็นราชการสำคัญของประเทศชาติซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับแล้วก็ออกเดินทางไปห้าหกวันแล้วครับก็ยังไม่ทราบว่าจะกลับเมื่อไหร่แล้วแล้วก็มีจดหมายถึงคุณหญิงเป็นส่วนตัวฝากไว้ที่ผมครับแล้วก็มีเอกสารบางอย่างที่จะฝากมอบไว้ให้คุณชายเชษฐายึดถือไว้ด้วยครับ เอาเป็นว่าผมจะนำไปให้ภายในคืนนี้นะครับพร้อมทั้งอินโฟเมชันละเอียดทุกอย่างครับกรุณาเด็ครับอย่าคาดคะนให้ผมต้องพูดทางโทรศัพท์เลยครับมันมันไม่เหมาะครับเราจะต้องคุยกันนานทีเดียวมีสิ่งที่ท่านทั้งสามจะต้องรู้มากเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่ใช่เพียงแค่พูดกันคำสองคำครับนั่นเป็นประโยคที่ฉัดฉา น, ฉนชัดเจนเป็นครั้งแรกของนายอําพลที่พูดมาทางโทรศัพท์ หม่อมราชวงศ์หญิงดารินยืนถือหูโทรศัพท์กัดริมฝีปากนี่ดวงตาของหล่อนรู้สึกภาพพายไปหมดบัด น, นี้หล่อนพูดอะไรไม่ถูกลวใบหน้าขาวซีดเปื่อดระยะเวลาระหว่างนี้อนุชาหันไปบอกความกั่เชาิาพี่ชายใหญ่ของตระกูลเดินเข้ามารับหูต่วขึ้นด้วยน้ำเสียงราบเรียบปกติของเขา คุณน้ำพล ร, ระพินเดินทางไปตั้งห้าหวอดวันแล้วอย่างนั้นเหรอครับผมคุณชายอ่ะแล้วทำไมก่อนหน้านี้คุณไม่แจ้งข่าวให้เราทราบบ้างเลยคุณก็รู้เห็นการเดินทางโดยตลอดไม่ใช่เหรอครับผมผมจำเป็นต้องปฏิบัติตามคำสั่งของคุณระพินซึ่งผมให้สัจจกไว้ครับคือให้ผมรายงานข่าวนี้แก่พวกท่าน เมื่อถึงวันเกิดของคุณหญิงแล้วเท่านั้นครับคุณพินไม่ต้องการให้ผมบอกก่อนล่วงหน้านั้นครับแลวผมก็ตั้งใจไว้แล้วว่าพรุ่งนี้ผมจะมาในวันเกิดของคุณหญิงแต่เมื่อมีการสงสัยสอบถามความจริงมาก่อนเช่นนี้ผมก็มีความจำเป็นที่จะต้องออกเดินทางเดี๋ยวนี้แล้วครับการไปถึงของผมอาจจะดึกหน่อยนะครับแลวถ้าไม่เป็นการรบกวน ผมจะเข้าไปพบในทันทีที่ขึ้กรุงเทพครับเชี่ถาพยักหน้าช้าๆกับเครื่องโทรศัพท์พูดเสียงต่ำๆว่าเอาละคุณออกเดินทางมาได้เลยคุณอำพลแล้วมาถึงกรุงเทพไม่ว่าจะดึกดื่นเที่ยงคืนแค่ไหนคุณมาพบเราที่นี่ได้ทันทีเราจะรอครับครับทงนั้นผมขอเวลาจับเตรียมตัวแลวปรับแปลอของก่อนนะครับแล้วก็จะบึ่งลงกรุงเทพ เลือ ก, กันนะครับเดี๋ยวเชิดาทักแล้วหันมาทางน้องสาวผู้ยืนนิ่งงันอยู่น้อยมีอะไรจะพูดกับคุณอำพลอีกไหมให้เลือกคนขับรถที่มือดีที่สุดแล้วก็ขับมาให้เร็วที่สุดอย่าให้รถคว่ำตายซะ ก, ก่อนระหว่างทางแล้วกันหลน่นนินเสียงเครือสั่นเพียงแค่นั้นก็วางหูโทรศัพท์ลง ทิ้งกายอย่างหมดเรี่ยวแรงลงไปบนนวมตัวเดิมขณะที่เชษฐาพูดกับทางฝ่ายโน้อนอีกประโยคเดียวก็วางหูโทรศัพท์ลงเช่นกัน45บัดนี้ทั้งสองพี่ชายแปรสายตามาจับอยู่ที่ใบหน้าน้องสาวคนเล็กเป็นตาเดียวดวงหน้าของดารินคงขาวซีดอยู่เช่นนั้นมือทั้งสองกำแน่นอยู่บนตัก ในตาหมือลอยอย่างปราศจากจุดหมายพี่ชายกลางเดินเข้าไปวางมือลงบนไหลแล้วบีบเบาๆน้อยใจเย็นๆไว้ถึงในคืนนี้คุณนำพลก็คงจะมาถึงที่นี่และบอกรายละเอียดเราทุกอย่างอดใจรอหน่อยนะเป็นยังไงคะพี่กลางพี่ใหญ่สังหรณ์ของน้อยเป็นสิ่งเิ้วไหลไหมหลอนพูดแผ่วเบาด้วยน้าเสียงขืนคน พี่ชายทั้งสองอึง้งไปครู่ต่างอยู่ในภาวะประหลาดใจมึนง ง, งอยู่ไม่น้อยเช่นกันเอระบพินเข้าป่าด้วยเรื่องราชการลับคุณชายใหญ่พึมพำเอามือลูบ ป, ปลายทางมันราชการลับอะไรกันนี่น่าแปลกเหลือเกินแล้วทำไมคุณอัมพลถึงได้ปิดปากเงียบไม่ยอมบอกให้เรารู้ก่อนนี้เลย เพิ่งจะมายอมอ้าปากวีอกตอนที่เราถามไปนี่แหละก็ก็อบอกแล้วไง่ะครับพี่ใหญ่วรพินเป็นคนกาชับเขาไว้เองผมว่าคุณนํำพลจะต้องรู้ตื้นลึกหนาบางโดยตลอดแหละเราไม่มีอะไรจะทำในขณะนี้ได้มากไปกว่าร้อให้เขามาถึงที่นี่ซะก่อนฟังหางเสียงเขาก็กระตือรือร้นที่อยากจะมาเล่าความจริงให้เราฟังด้วยตัวเองสาหรับน้อยก็เหมือนกัน พี่ว่าสงบจิตสงบใจซะก่อนอย่าเพิ่งคิดฟุ้งซ่านอะไรให้มากนะถึงยังไงเราก็รู้แน่ว่ารพีนมีเรื่องจำเป็นที่จะต้องเข้าป่าอย่างกะทันหันและเขาปกปิดไม่อยากจะให้พวกเราทราบโดยเร็วนะักโดยทิ้งทอดช่วงเวลาออกไปสักระยะหนึ่งสิ่งที่น้อยเกรงไปว่าเขาจะเจ็บหนักหรือมีอุปวัวเหตุอะไรก็เป็นอันเบาใจได้แล้วว่าไม่ได้เป็นอย่างนั้นหลนฝืนยิ้มให้พี่ชายทั้งสอง แต่น้ําตาเริ่มคลออย่างสุดที่จะระงับไว้ได้ค่ะถ้าอยู่ในความหมายสองนัยยะหลังนี่น้อก็ดีใจเสียกว่าค่ะเพราะไม่ว่าจะเจ็บป่วยหรือพบอปุปัตตวเหตุก็ยังพอช่วยเหลือเยียวา ก, กันได้ตอนนี้เขาเดินทางเข้าป่าไปแล้วไม่รู้จะไปตามตัวได้ที่ไหนกระพินเป็นคนใจดำอย่างนี้มา น, นานแล้วนั่นก็ยกไว้สเสเถอะ เพราะสันดาลคนคนนี้เป็นอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรสาคัญคนของเราดิตัมพลนนะ่ะทำไมถึงมัวเย็บปากอยู่ไมยไม่รู้จะพูดอะไรถูกล้โดยทางที่ถูกที่ควรนะ่ะคุณน้ำพลจะต้องรายงานให้น้อยทราบทันทีที่รพินออกเดินทางนี่ดูมันมีรับลมคมในหรือเกินความฝันเมื่อคืนมันจะถูกต้องเป็นความจริงทั้งหมดนะประโยคหลังลอนกล่าวเหมือนรำพึงกับตัวเอง ยกมือขึ้นบีบขมับอย่างมึนงงละเหี่ยใจเหลือที่จะกล่าวได้เอาไว้ว่ารอฟังข่าวจากตามพนให้ชัดซะ ก, ก่อนนะว่าอะไรเป็นอะไรพี่กะว่าอย่างช้าเขาก็ควรจะมาถึงที่นี่ไม่เกินสองยามคืนนี้แหละภายในห้องของสามพี่น้องบัดนี้เงียบกริบดารินนั่งหลับตากุมขมับอยู่ที่เดิมอนุชาสุบุรี เดินบนช้าๆไปรอบห้องส่วนเท้าทามือหนึ่งกอดอกอีกมือหนึ่งจับอยู่ที่ปลายคางมองดูภาพแอปสแลตของคานดิสกี้อันเป็นเส้นขีดด้วยสีสับสนยุ่งเหยิงแขวนประดับอยู่ภายในห้องนั้นขณะนั้นเองโทรศัพท์ก็ดังขึ้นอีกอนุชาเดินเข้าไปรับกลางเหรอ เสียงร้อนรนที่พูดมาคือเสียงของชายันอั น, นันไกรเพื่อนร่วมตายสมัยเด็กจวบจนกระทั่งสมัยที่บุกเทือกพระศิวะมาด้วยกันเออว่ายังไงชายันน้อยอยู่เปล่าไม่เจ็บท้องเต็มทีแล้วชายันโทรมาจากโรงพยาบาลเอกชนระดับซูเปอร์เดลุกซึ่งขณะ น, นี้มาเรียภัญญาของเขาไปนอนเตรียมคลอดอยู่และเขาเองก็เฝ้าอยู่ตั้งแต่เช้า ดารินตื่นจากพวังตัดกลุ้มรับโทรศัพท์จากพี่ชายทันทีสอบถามอาการคร่าวๆเพียงสองสามประโยคก็บอกให้หัวหน้าแผานกสูติกรรมซึ่งยืนอยู่ข้างๆชา ย, ยันในขณะนั้นมารับสายหล่อนสั่งว่าส่งข้าห้องสูติได้เดี๋ยวนี้นะคะบอกสามีเขาด้วยว่าฉันจะไปเดี๋ยวนี้แหละวางโทรศัพท์หล่อนก็หันมาทางพี่ชายทั้งสองเมยคงจะคลอดภายในไม่เกินชั่วโมงนี้แหละค่ะ เราจะไปเดี๋ยวนี้พี่ใหญ่กับพี่กลางจะไปด้วยไหมไปสิอยากจะดูหน้าหลานเหมือนกันว่ามันจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายหน้าตาเป็นยังไงสำหรับเธอนะในฐานะแม่ยกของเด็กซึ่งพ่อแม่จริงเขายกให้แต่แต่อยู่ใน ท, อท้องทำเคออะหดีก็แล้วกันพี่ชายสองคนบอกมาเกิดจะเป็นเสียงเดียวกันดารินยิ้มออกมาได้แจ่มใสเป็นครั้งแรกลืมเรื่องกังวลในสมองลงชั่วขณะหนึง่ง รับรองค่ะสุดฝีมือเลยเสียดายก็แต่ว่าพ่อยกตอนนี้หายเข้าป่าไปซะอีกแล้วถ้าเขาอยู่ด้วยในเวลานี้ทั้งพ่อแม่จริงของเด็กคงจะดีใจมากประเดี๋ยวก็รู้ค่ะว่าเจ้าหนูนั่นควรจะชื่อดารินีหรือไพรวันแต่สงสัยจะชื่อไพรวันจะมากกว่าพ น, นันกันก็ได้ว่าเป็นเด็กผู้ชายขณะที่สามพี่น้องตระกูลวราริษนั่งรถออกจากบ้านมาด้วยกันบ่ายหน้าไปยังโรงพยาบาล เชษาก็เอ่ยขึ้นอย่างระมัดระวังว่าอย่าเพิ่งบอกชยันหรือเมเกี่ยวกับเรื่องระพินในขณะนี้ก่อนทั้งสิ้นนะจนกว่าเด็กจะคลอดและแม่กับเด็กปลอดภัยเรียบร้อยแล้วไม่งั้นทั้งสองคนนั่นจะเป็นกังวลพี่ชายใหญ่ของตระกูลบาราริตรอบครอบเสมอชัยันอนันต์นไรเดินพลานอยู่หน้าห้องทาคลอด เมื่อหมอดารินและเพื่อนสนิทของเขาสองคนขึ้นลิฟต์ไปถึงอดีตนายทหารปืนใหญ่กลาเข้ามาทันทีพร้อมกับรายงานเร็วปรือเกี่ยวกับอาการของเมียพ่อแม่พี่น้องและเครือญาติของเขาดูจะมาประชุมกันอยู่ที่นั่นครบหมอมราชวงศ์สองพี่น้องเข้าไปนั่งสนทนาร่วมกลุ่มอยู่กับชยันในขณะที่สัญญาแพทย์สาวมือดีอันเป็นหม่อมราชวงศ์หญิงคนเล็กเดินเข้าห้องสูติไปในทันที ภายหลังจากยิ้มและโบกมือให้แก่ผู้ที่กําลังจะอยู่ในฐานะของพ่อแล้วความจริงมันไม่ใช่หน้าที่ของหล่อนที่จะต้องทำคลอดรายนี้แต่โดยการตกลงกันไว้ก่อนแล้วระหว่างเจ้าของค่ายกับโรงพยาบาลประกอบกระชื่อเสียงในทางแพทย์ของหม่อมราชวงศ์หญิงดารินวราฤทธิ์ทางโรงพยาบาลเอกชนชั้นพิเศษจึงไม่มีอะไรขัดข้องที่จะให้เป็นไปตามประสงค์ของเจ้าของค่าย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 หล่อนก็ให้กำเนิดทารกเพศชายน้ำหนักตัวเกือบสี่พันกรัมผมและตาสีน้ำตาลอันเป็นสีเฉลี่ยแบ่งครึ่งระหว่างพ่อกับแม่ผิวออกขาวปนชมพูอ้วนท้วนสมบูรณ์หน้าตาน่ารักน่าอินดูและร้องเสียงดังมานดานั้นพิสูจน์แล้วว่าทรหดอดทนสมกับชีวิตสมบุกสมบันในอดีตระหว่างจะคลอดหล่อนไม่ได้ร้องแม้แต่สักอึกเดียว และกำลังใจดีเยี่ยมเมื่อเห็นเพื่อนรักเพื่อนตายมาเป็นผู้ทำคลอดให้ตามสัญญาที่ตกลงกันไว้เมื่อเด็กพ้นตัวออกมาได้และเริ่มมีเสียงร้องหล่อนพยายามพงงกศีสะขึ้นดูถามเบาๆว่า boy or girl ดารินพูดยิ้มยิ้มแต่เพียงว่า g u e s แล้วยังไม่ตอบว่าอะไรส่งเด็กให้พยาบาล น, นำไปอาบน้ำชำระตัวทันที พอจัดการกับผู้เป็นแม่เสร็จก็รีบตามเข้าไปรับตัวเด็กและหล่อนเป็นคนแรกที่ประคองขึ้นมากอดไว้แนบอกเหมือนลูกตัวเองไพรวันลูกแม่ตั ว, วันโตคืนนะลูกนะเมื่ออยู่ในท้องลูกก็มีบารมีพอที่จะคุ้มครองพวกเราทั้งหมดกลางป่าได้อย่างวิเศษแล้วขอให้เกิดการเกิดมาของลูกครั้งนี้จงช่วยคุ้มครองพ่อยกของลูกด้วย อยาให้เขามีอันตรายอะไรเป็นอันขาดลูกเกิดมาทันวันเกิดของแม่พรุ่งนี้พอดียังกลับจะเจตนาอย่างนั้นแหละจมูกของหลอนสัมผัสกับแก้มยุย้ยอ่อนนุ่มเล็กๆนั้นแผวเบาที่สุดก่อนที่จะอุ้มเดินไปให้มารดาของเด็กเห็นเป็นครั้งแรกมารีมองเห็นหน้าและเพศของลูกได้ถนัดก็แทบจะร้องลั่นออกมาด้วยความ ป, าปราบปลื้มยินดีขีดสุด ร่ำร่ำจะลุกขึ้นจากเตียงรับมาประคองไว้แนบอกขอบคุณเธอขอบคุณพระเจ้าน้อยที่ให้ลูกชายแก่ฉันสมดังที่ปรารถนาภาวนาไว้ฉันฉันดีใจที่สุดในโลกหน้าของเขาเหมือนชายันแต่สีผิวสีผมเกือบเหมือนฉันดารินก้มหน้าลงไปกระซิบยิ้มยิ้มข้างหูมาเรียวว่า แต่ริมฝีปากของเขาเหมือนระพินที่สุดบางจอยเป็นมุมกระจับแสดงถึงความเจ้าอารมณ์แล้วก็เฉียบขาดมาเรียยิ้มตอบกระซิบเช่นกันบ้าในหลักวิชาแพทย์มันปนเปกันไม่ได้หรอกน้อยเธอก็รู้ดีแล้วฉันไม่เคยมีสุดที่รักอะไรในโลกนี้แต่เดี๋ยวนี้ฉันมีแล้ว ต่อไปนี้ฉันเป็นแม่โดยสมบูรณ์มีความเป็นคนเต็มคนและจะเลิกทาบาปเลิกฆ่าสัตว์ตัดชีวิตตั้งแต่นี้เป็นต้นไปแล้วหล่อนก็หลับตาลงอย่างอ่อนเพลียกอดลูกชายซึ่งบัดนี้หลับปุ๋ยหยุดร้องไห้ไว้ในอ้อมแขนพึมพำระพินเดี๋ยวนี้ฉันได้ชื่อสกุลของคุณมาเป็นนามของลูกฉัน แต่คุณผิดสัญญาคุณบอกว่าจะมาในวันที่เด็กคลอดแล้วเดี๋ยวนี้คุณอยู่ที่ไหนนะดารินเสออึกแล้วหล่อนก็เดินออกมาจากห้องต่อจากนั้นก็เป็นเรื่องของชา ย, ยันผู้เป็นพ่อพี่ชายทั้งสองของหล่อนผู้เป็นเสมือนญาติและ ว, วงศาคันยาต์ของเด็กเกิดใหม่ที่พอจะพลูกันเข้าไปเยี่ยมแสดงความยินดีซึ่งแน่ละ่ะ ทุกคนเต็มไปได้วยความโสมนัสปราบปลื้มโดยเฉพาะชายันแทบเป้นและร้องชยโยลั่นห้องดารินปรีตัวออกมานั่งสุบุรีคนเดียวอยู่ภายในห้องพักของญาติคนไข้ปล่อยให้ทุกคนเข้าไปรุมล้อมแม่และเด็กในห้องและแสดงความปิติยินดีกันอย่างเต็มที่พักใหญ่ชายันเชษฐาและอนุชาจึงเดินออกมาจากห้อง ตรงมานั่งคุยรวมกลุ่มอยู่ตรงที่ดารินนั่งคิดอะไรเงียบๆอยู่คนเดียวก่อนแล้วและที่นั่นเองอดีตนายทหารปืนใหญ่ผู้เคยร่วมบุกป่าฝ่าดงเสี่ยงตายด้วยกันมาแล้วก็ได้ทราบความโดยตลอดเกี่ยวกับเรื่องของระพินไพรวันจากการกระซิบบอกเล่าของพี่น้องสกุลวราริศอดีตนายพันตรีทหารปืนใหญ่นักผจญภัยผู้ผ่านเทือกพระศิวะมาแล้วพอทราบเรื่อง แม้จะเล่ๆเขาก็ถึงกับชะงักคอแข็งไปข้าวหน้าอันยิ้มแย้มปิติปรีดาอยู่บัตรนี้ขึงเคร่งลงทันทีคืนนี้ฉันจะย่องไปดักหน้านายอัมพลที่บ้านของแกและจะขอรับฟังรายละเอียดของความเป็นไปด้วยเขากล่าวอย่างหนักแน่นจริงใจกระสามพี่น้องผู้มีความสัมพันธ์รักใคร่ใกล้ชิดยิ่งกว่าญาติสนิท แกไปฟังเรื่องราวจากนายมพลด้วยชัยยันเขี้ถากระซิบแต่ขออย่างเดียวเท่านั้นนะนะอย่าเพิ่งแพร่กราย อ, อ, อะไรให้เมียของแกรู้เขากำลังอยู่ในความยินดีและต้องการพักผ่อนให้มากที่สุดถ้ามาเรียนรู้ข่าวเข้าในตอนนี้คงไม่สบายใจเหมือนเหมือนพวกเรานั่นแหละนี่น้อยก็ทำดีที่สุดแล้วนะขนาดที่ตัวเองก็กาลังมึนงงทาอะไรไม่ถูกเลยก็ยังอุตส่าห์มาช่วยทาคลอดเมียแกได้ ที่ยังรู้สึกเป็นห่วงตอนที่เขาเดินเข้าห้องทำคลอดไปเพราะรู้สึกว่าตอนนั้นน่ะน้อยยังปั่มปั่มประเป๋ อ, อยู่ทีเดียวชัยยันมองดูหน้าเพื่อนสาวอย่างเห็นใจเอื้อมมือมาจับแขนไว้บีบแน่นทาใจดีๆไว้น้อยรอฟังข่าวคืนนี้จากคุณอํมพลก่อนแล้วก็สาบานว่าถึงยังไงพวกเราทุกคนก็ไม่มีวันทอดทิ้งระพินหรอกมันไม่ได้อยู่ในความหมายว่า เพราะเขาเป็นคนที่เธอรักแต่อยู่ในความหมายว่าเขาเป็นบุคคลที่พวกเราทุกคนรักเสมอด้วยญาติและเพื่อนตายใกล้ชิดที่สุดขอบใจนะขอบใจในความปรารถนาดีของทุกคนที่เคยร่วมเป็นร่วมตายกันมาแล้วดารินพูดพร้อมฝืนยิ้มนำเสียงของหล่อนแหบเหื <have S 2> อดความจริงเราสามคน ไม่ต้องการบอกให้เธอทราบเลยล่ะเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ที่ตัดสินใจบอกก็เพราะรู้อยู่ว่าทั้งเธอและเมมีความรู้สึกเช่นไรกับพรานป่า ค, คนนั้นเขาอาจจะไร้ความหมายสาหรับคนทั่วไปแต่ก็มีความหมายต่อพวกเรามากที่สุดเกินกว่าที่จะพูดอะไรเป็นถ่อยคาได้ย้าอีกครั้งนะว่าเฉพาะเมอย่าเพิ่งให้รู้อะไรภายในสองวันนี้ก่อน เอาะเรื่องของเธอกับเมียและลูกก็เรียบร้อยไปละฉันก็กลับก่อนแล้วนะเธออยู่ชื่นชมกับลูกเมียก่อนแล้วกันแล้วคืนนี้ค่อยปลีกตัวไปเอาเป็นว่าฉันจะไปที่บ้านเธอราวสามทุ่มคืนนี้นะชยันบอกก่อนที่สามพี่น้องจะก้าวเข้าไปในประตูลิฟต์ของโรงพยาบาลในเวลาเดียวกันย้อนเหตุการณ์กลับมาสู่ดงดิก ระหว่างที่เชิดบุตรกำลังนั่งคุยซุบซิบอยู่กับระพินอิสเบร์ก็เดินตรงเข้ามานี่ไผวันคุณแน่ใจเหรอว่าพวกลูกหาบจะต้องเดินผ่านเส้นทางที่เรามาดักอยู่นี่หลอนเอ่ยขึ้นพร้อมกับยกนาฬิกาข้อมือขึ้นดูตั้งแต่เรามาถึงและพักกันอยู่ตรงนี้นะก็เกือบสิบนาทีแล้วนะยังไม่มีวี่แววอะไรเล ย, ย, ยใจร้อนหะน่าเบร คนอย่างมักูุเทศนำทางของเราไม่มีวันผิดเป้าหมายหรอกไม่เชื่อฝีมือหรือไงเชิด ว, วุธบอกไม่พูดเปล่าฉวยข้อมือแม่ผมแดงฉุดให้นั่งลงด้วยซึ่งหล่อนก็ยอมกายลงโดยดีด็อเตอร์สแตนลีย์ให้คุณมาถามผมเหรอเบลระพินย้อนถามเรียบๆหล่อนยิ้มนิดนึงเปล่าลวรอกฉันถามเองแหละไม่ใช่อะไรหรอก พวกเราน่อ่อนแรงหิวน้ากันเต็มทีแล้วคุณถ้างั้นก็ไม่ต้องรออีกแล้วล่ะครับนี่นไงหัวขบวนะ่ะพ้นพุ่มไม้ข้างหน้ามาแล้วจอมพรานบุ้ยปากไปเบื้องหลังอิสเบรนกระเชิดบุตรหันขวับตามก็อุทานออกมาอย่างยินดีขบวนลูกหาพลูกันออกมาอย่างเงียบ ก, กริบที่สุดเดินหาบของเฉบเิบเข้าแถวเรียงเดี่ยวกันมาตามปกติ โผลพ้นทางที่เลี่ยนพิมเหวอันมีต้นไม้บังอยู่ออกมาระยะที่โผล่ห่างจากพวกที่หยุดรอก่อนแล้วประมาณไม่เกินห0เมตรและต่างฝ่ายต่างเห็นกันพอดีจันเป็นคนเดินนำหน้าขบวนมาก็แลมาเห็นส่งเสียงร้องทักโยวยวายลัน่นวิ่งปราบก็บมาทันทีด้วยอาการตื่นเต้นรปินไทยวันลุกขึ้นยืนพักพวกที่พักนั่งและนอนกันอยู่ ก็พากันฮือขึ้นมาทันทีอย่างยินดีนายเกิดอะไรขึ้นพวกเราได้ยินเสียงปืนสองนัดแล้วก็เสียงระเบิดตอนที่แยกจากการแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นเสียงจันทร์้องก้องถามมากระหึ่กระหอบทั้งๆั้ ท, ที่ยังวิ่งเข้ามาไม่ถึงดับพินไพร์วันโบกมือเป็นสัญญาณให้พวกลูกหาบเหล่านั้นเคลื่อนตรงเข้ามาโดยเร็วทำการเสียงทักทายอย่างดีใจของฝ่ายอเมริกัน บุญคาสั่งให้พวกนั้นโปลงหาโปงทันทีเพราะรู้อยู่แล้วว่าพวกนายจ้างผิดเวลาอาหารกลางวันมาถึงสาชั่วโมงเสร็จแล้วและทุกคนก็กำลังหิวเกิดกระเซยซึ่งขณะนี้ปฏิบัติหน้าที่แทนลูกหาพี่ตายไปเมื่อคืนวางของเสร็จก็แล่นเข้ามาสมทบพวกนั้นดูเหมือนจะตรวจนับจำนวนของฝ่ายรพินและพวกอเมริกันที่แยกทางมาพอเห็นว่าครบจานวนไม่มีใครขาดหายไปและต่างก็อยู่ในสภาพที่ปกติ เรียบร้อยต่างก็พากันถอนใจอย่า ง, ลงโล่งอกเอาน้ำาใหม้ก่อนเร็วไอ้เซยบุญคําอันเป็นหัวหน้าพรานทุกคนออกคําสั่งโดยเร็ ว, รวช่วยใจเดียวทุกคนที่รอน้ําอยู่ก็ได้ดื่มกันอย่างเต็มกระหายและถ่ายลงกระติกของตนจนเต็มพวกพรานพื้นเมืองและลูกขาบยังพากันรุมถามระพินและบุญคำํำเช่นนั้นเกี่ยวกับเสียงไรเฟิลสองนัดและเสียงระเบิด ที่ต่างได้ยินถนันค่ะไม่รู้จะบอกยังไงลูกเว่ยก็ลองถามนายดูเองเหอะเอาพวกเราไม่เป็นไรก็แล้วกันถ้าคําไม่รู้จะบอกยังไงถูกเหมือนกันเออไม่มีอะไรมากหรอกได้จะเล่าฟังทีหลังพรนใหญ่ตัดบทพลางหันมาทางเมริกันทุกคนบอกว่าเราจะถือโอกาสพักทานอาหารเที่ยงตรงนี้นะครับ ฝ่ายเบียงและพักพวกเรามาถึงพร้อมกันหลังจากนี้อีกไม่เกินเจ็ดแปดไม้เท่านั้นก็จะเข้าเขตหมู่บ้านตะเคียนทองแล้วครับบรรจุกระเพาะ ก, กันซะก่อนดีกว่าผมไม่แน่ใจว่าถ้าไม่กินกันตรงนี้แล้วเราอาจจะไม่มีโอกาสกินกันอีกนานทีเดียวเพราะที่หมู่บ้านตะเคียนทองก็กลายเป็นหมู่บ้านร้างไปแล้วเราจะต้องเดินต่อไปจนถึงไหล่เขาสูงชันซึ่งเป็นถ้ำสูงที่โบเมะพาพักพวก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 นับตั้งแต่รพินสั่งให้ทุกคนนั่งพักเพื่อรอพวกลูกหกักพวกนั้นก็โพลูมาบรรจบได้ตรงเป้าหมายแม่นยำที่สุดไอเสือนี่มันกะเวลาและกะเส้นทางของมันได้ยังไงนะไม่ยังกะจังวางคิดแอบกระซิบอย่างตัวใจกระหัวหน้าคณะขณะที่เคี้ยวหาอาหารง่ายๆจากเครื่องเรั่นไปพลางและชำเลืองไปทางแฟมใหญ่ซึ่งเดินเข้าไปตรวจสอบ ถามความกับคนของเขาซึ่งพวกนั้นนั่งเรียงรายอยู่ก็หนักสิถึงว่าครั้งแรกฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาจะนำเราตัดทางมาดักพบพวกที่ล่วงหน้ามาก่อนนี้ได้ยังไงป่ามันก็เหมือนกันกับบ้านของเขาจะเรียกได้ว่าหลับตาเดินได้เลยทุกคุบทุกห้วยเขาแบบนี้ก็สบายใจได้แล้วแล้วอเมริกันอาวุโสก็หันไปมองดูหน้าคริสติน่า ผู้กำลังแคะเนื้อกระป๋องจากซ่อมพลาสติกเล็กๆใส่ปากอยู่เป็นไงบ้างอะแครพึ่งต่อยธองเธอใบไม้ขี้เขียวของเขาที่ขยี้ท้าให้น่ะคริสติน่าเอามือขยี้ทรงอกแล้วถอนใจเฮือนทุกสิ่งทุกอย่างดูจะเป็นสิ่งอัศจรรย์ไปซะทั้งหมดแหละค่ะจันเพียงแค่ห้านาทีเท่านั้นหายปวดดีกว่าขี้พึ่งของเบลซะอีก แลวตอนนี้ก็ดูเหมือนรอยบวมยุบลงมามากแล้วด้วยฉันไม่สงสัยอีกเลยถ้าสมมุติว่าต่อไปข้างหน้าเวลาเราอดอาหารกันจริงๆแล้วอีตะคนนี้เอามือรูดใบไม้หรือกรอบเอาดินขึ้นมายื่นส่งให้เราแล้วมันจะกลายเป็นแฮมเบอร์เกอร์ไปดูๆไปแล้วก็เหมือนนักมายากลมันเหมือนกับว่าไม่มีอะไรที่เขาจะทำไม่ได้ถ้าอยู่ในปา่าก็คงจะยกเว้นอยู่เรื่องเดียวละมั้ง อีตอนจับไข้สันงางงงงงอย่างเมื่อคืนนี่ไงอีตอนนั้นน่ะเขาช่วยตัวเองไม่ได้ครับเบลว่าปนหัวเราะเบาๆแล้วก็ไม่ลืมไปตรวจดูอาการของคนไข้ของหล่อนคือเจ้าเสอเอิงที่ถูกพะโตกะอูถะททำแค่หามร่วมมากับคณะด้วยอาการของมันเป็นที่พอใจของหล่อน